เรื่องราวของบางกระบือนี้บีขออนุญาตนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะเป็นเรื่องตำนานเก่าเล่าเรื่องในพระนครเรื่องนี้เขียนโดยขุนค้อนนะคะเรื่องราวของบางกระบือก็ไปอ่านพบในหนังสืองานศพของคุณพ่อเอี่ยมประพาสนาล์หนังสือเล่มนี้พิมพ์เนื่องในงานชาปนกิจศพเมื่อปี2489ที่เมนวัดสมนัท ในหนังสือเล่มนั้นพูดถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นย่านบางลำพูไว้3ามเรื่องโดยขุนคอนก็คือผู้เขียนค่ะก็ยกตัวอย่างแล้วก็ย่อความมาให้อ่านเป็นกันต่ออายุของงานเก่าๆไว้สักหน่อยนึงเรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับบางกระบือค่ะเป็นเรื่องผีพรายที่บางกระบือเรื่องอย่างนี้ผู้เขียนเลยได้ยินมาเหมือนกันเมื่อสมัยเด็กๆแต่ก็เป็นแค่เรื่องเล่าแล้วก็ฟังต่อมารายละเอียดบางอย่างก็ย่อมตกหล่นไปบ้าง แต่ว่าเรื่องราวในหนังสืองานศพนั้นมีรายละเอียดที่ทำให้พอเข้าใจได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรโดยเริ่มเรื่องขึ้นในวันลอยกระทงนะคะเดิมทีท่าน้ำละแวกบางกระบือหรือว่าท่าเขียวไข่กาเคยมีเรื่องราวของผีพรายชุกชุมเคยมีคนละแวกนั้นแล้วก็คนต่างถิ่นถูกผีพรายลักตัวหายลงน้าไปหลายครั้งนะคะทิดแชม่มเปิดร้านขายของอยู่ละแวกนั้น เวลาของมาขึ้นที่ร้านแกก็จะช่วยคนงานขนมาจากท่าเกียวไ่กาของขายของแกก็จําพวกเครื่องจากศาลจากอายุทยาพวกเครื่องเรือนทั่วไปค่ะวันหนึ่งเข้าใต้ไฟแล้วก็ประมาณสัก6กโมงเย็นถึง1ทุ่มพนักงานจุดคมแก๊สรายทางกลับไปสักครู่ทิดแช่มก็ปิดร้านแล้วก็ไปช่วยกุลีขนของเข้าร้านเดี๋ยวพีขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะคาว่าพนักงานจุดคมแก๊ส เมื่อสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงว่าเรายังไม่มีไฟฟ้าตามถนนหนทางใช่หมคะก็จะมีพนักงานตามไฟคอยถื อ, อากาเติมน้ำมันแล้วก็คีมคีบไสตะเกียงเดินตามไฟหรือว่าคอยจุดไฟที่ตะเกียงเสาวราทางโดยในหนังสือแรกมีสยามคุณอเนกนาวิกมูลได้หมายเหตุในเรื่องไฟแก๊สนี้ไว้ด้วยสนใจก็หาอ่านจากหนังสือเล่มดังกล่าวได้นะคะหน้าที่127ในเรื่องที่27 เรื่องไฟแก๊สค่ะกลับมาที่เรื่องของทิศชแชม่มเมื่อพนักงานตามไฟไปแล้วนะฮะเพราะว่าตกค่าเต็มทีค่ะแกก็เดินจากร้านไปที่ท่าเขียวไข่กาก็ตกอยู่ในราว10ถึง15นาทีแล้วแต่ว่าแกจะเดินช้าเดินเร็วแค่ไหนนะคะของที่มาขึ้นทิท่าในวันนั้นก็เป็นพวกเครื่องจัดสารเป็นพวกหลังคาพวกหญ้าไซ พวกย่าปล้องนะคะแกก็เที่ยวไปเที่ยวมาคอยคุมการขนของกับพวกกุลีที่ร้านเห็นว่าแกเดินไปเดินมาอยู่ราว3ามสรอบเพราะวาพวกกุลีเนี่ยไม่ค่อยรอบครอบอาจจะมีของหายของตกหลน่นซึ่งกว่าจะขนของเสร็จก็ตกไปถึงราวสามทุ่มเลยทีเดียวพอขนของแล้วนะคะพวกบรรดากุลีในร้านต่างก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็พักผ่อนกันเพราะว่าหมดเวลางานแล้วค่ะ ส่วนทิดแชม่มแกก็ปิดโกดังร้านค้าของแกและแกก็กลับไปที่ท่าน้ำอีกครั้งซึ่งใครจะเชื่อนะคะว่าการไปดูความเรียบร้อยที่ท่าน้าในครั้งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการไปสุดท้ายครั้งสุดท้ายของชีวิตแกนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครคนไหนได้พบตัวทิดแช่มอีกเลยค่ะทั้งคนงานกุลีและคนที่รู้จักทิท่าเขียวไข่กาต่างก็บอกค่ะว่าคื น, นนั้นเนี่ย เขาเห็นทิศแช่มนะเอาใบจดรายการสิ่งของที่มาขึ้นที่ท่านี้ให้คนในเรือดูว่ามีรายการอะไรบ้างระหว่างที่คุยกับคนเรือพวกกุลีก็ขนของเที่ยวสุดท้ายแกเองพอตกราคากับคนเรือได้ก็เดินตามพวกกุลีไปแกหายไปพักใหญ่ๆแล้วก็กลับมาที่ท่าน้ําอีกครั้งเอาเงินค่าของมาให้คนเรือแกก็คุยกับคนเรือสักครู่คนเรือก็ลาแกไป บางคนก็บอกเนีว่าเห็นแกเดินเล่นอยู่แถวแถวท่าน้ําสักพักบางคนก็บอกว่าแกจุดบุรีตะพานโพสูบแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครสังเกตนะคะว่าแกจะไปไหนมาไหนหรือหยุดพักดูอะไรบ้างซึ่งในที่นี้คนสุดท้ายที่ให้ความร่วมมือก็คือไอ้หนุ่มวัดจันทร์ค่ะวัดจันทร์ในที่นี้ก็คือวัดจันทร์สมุสรที่เป็นวัดสําคัญแล้วก็เป็นที่รู้จักของผู้คนในย่านนั้นวัดจันร์นี่เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็อยู่ในระแวกท่าเขียวไข่กามานานนักหนาแล้ว ไอ้หนุม่มก็ให้การบอกว่าเขาเห็นทิชแช่มเดินเล่นแล้วก็สูบบุหรี่รับลมอยู่แถวๆวท่าน้ำเห็นแกนเดินไปเดินมาเหมือนกำลังคลุ่นคิดอะไรบางอย่างแต่ว่าไอ้หนุม่มคนนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจทิชแช่มนักเพราะเขาเองก็กำลังติดผู้หญิงผู้หญิงนะคะเขาจะเขียนคำว่าพอพานสระอูแล้วก็หอหีบยอยักษ์สละอะงองงูเขียนเป็นภูหญิงซึ่งหมายความว่าการจีบผู้หญิงอยู่นั่นเองนะคะครั้นจากนั้นแล้ว ไอหนุม่มเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจว่าทิดแช่มจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็เขาโมวแต่ยืนคุยกับอีนางอีแล้วก็กลับเข้าบ้านเขาก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าทิดแชม่มหายตัวไปแล้วซึ่งการหายตัวไปอย่างน่าพิศวงของทิดแชม่มนั้นเนี่ยทางการก็ให้พลตรเวนหลายนายออกช่วยกันค้นหาทั้งชาวบ้านร้านรวงแถวแถวนั้นนก็ช่วยกันออกตามหาตามน้าแล้วก็ตามเรือ เผื่ว่าทิดแช่มเนี่ยแกจะตกน้ําตกท่าไปหรืออะไรอาจจะเจอทิดแช่มนอนแขาลอยู่ในเรือก็ได้เพราะท่าเรือที่ท่าเขียวไขการนั้นเนี่ยมีเรือขึ้นสินค้ากันมา ก, ก น, นะคะหรือท่าทิดแช่มหาชีวิตไม่แล้วอย่างไรก็น่าจะเจอศพ บ, บ้างแต่กระนั้นค่ะก็ไม่มีใครหรือผู้คนในย่านนั้นได้พบตัวทิดแช่มอีกเลยนับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดอย่างยิ่งที่อยู่ๆทิดแช่มก็หายตัวไปโดยไรร่องรอยนับตั้งแต่ค่ําวันนั้น ซึ่งคนที่ท่าเขียวไข่กาต่างก็ร่ําลือกันหนาหูบอกว่าท่าทิดแช่อมถูกลักพาตัวไปโดยฝีมือของโหรพรายที่คนที่นั่นเรียกกันว่าพรายท่าเขียวหรือว่าผีพรายท่าเขียวไข่กาเรื่องผีพรายลักคนที่บางกระบือก็คงจะจบลงตรงนี้นะคะจะว่าไปแล้วเรื่องราวของผีพรายลักคนเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องผีพรายที่บางกระบือหรือที่ท่าเขียวไข่กาเพียงเท่านั้น แต่ว่ายังมีเรื่องผีพรายที่ท่าพระจันทร์ด้วยค่ะซึ่งคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะหาหนังสือเล่มนี้ไปลองอ่านดูนะคะก็ลองดูค่ะอาถรรพ์ขวัญผาวาในกรุงสยามเรื่องของผีพรายท่าพระจันทร์อยู่ในเรื่องพรายน้ําเมื่อรอศ .18 หน้า85ไม่แน่ใจว่าบีนําเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันไปบ้างหรื อ, อยังนะคะถ้ายังก็รอติดตามเพจนี้แล้วก็ช่อง YouTube นี้ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกัน ถัดจากเรื่องผีพรายที่ท่าเขียวไข่กาค่ะเรื่องต่อมาคือเรื่องไอ้กลอยค่ะไอ้กลอยไม่ใช่ไอ้กลอยธรรมดานะไอ้กลอยเดินบนน้ำถ้าพูดถึงเรื่องเดินบนน้ำแล้วเนี่ยนึกถึงเรื่องเก่าๆได้เรื่องหนึ่งคือเรื่องของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเดินบนน้ำเรื่องนี้ไม่น่าจะยังไม่เคยนาเสนอไปนะคะเป็นเรื่องราว เกริ่นๆให้ฟังก่อนละกันเป็นเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเดินบนน้าข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาสมัยนั้นเรียกว่าเดินมอค่ะเรื่องนี้ก็เคยอ่านเจอในหนังสือเรื่องเกร็ดสนุกเมืองสยามโดยคุณอเนกนาวิกมูลอีกเช่นกันโดยจัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์นะคะแต่ว่าเรื่องของไอ้ลอยเดินบนน้ำเนี่ยดูจะแตกต่างออกไปนะ ที่ว่าแตกต่างเนี่ยก็ตรงที่ว่าสมเด็จพระปิ่นท่านเดินบนน้ำพระองค์ท่านต้องมีอุปกรณ์ช่วยถึงจะทรงเดินบนน้ำได้อุปกรณ์ที่ช่วยนั่นก็คือหม้อดินเผาค่ะแต่ว่าไอ้กลอยที่ว่านี่มันต่างกันตรงที่ว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยไม่ต้องใช้หม้อใช้ไหยใช้กระมังอะไรเลยมันมีเพียงตัวเปล่าๆมันก็เดินบนน้าได้แล้วนะคะเรื่องนี้ไอ้กลอยมันทาให้ดู ซึ่งคนที่ได้ดูไอ้กอยเดินบนน้ำเนี่ยก็คือผู้เขียนเรื่องนี้ที่ปีเล่านี่แหละนะคะหมายถึงคุณค้อนคนเขียนบทความในหนังสืองานศพนะคะที่บอกว่าเห็นมากับตาตัวเองในสมัยที่ยังเด็กไอ้กอยบอกกับคนอื่นบอกว่ามันเรียนวิชามาจากพระอาจารย์คงพระอาจารย์คงเดิมทีเนี่ยเป็นลูกศิษย์คนสําคัญของหลวงพ่อศรีสุขตั้งแต่สมัยกรุงเก่าแล้ววันที่มันเดินบนน้ําเป็นวันหนึ่งเพลาเย็น ไอ้กลอยก็นุ่งขาวห่วมขาวทำพิธีสวดที่สะพานท่าน้ำอยู่เป็นเวลานานว่ากันว่าก่อนที่ไอ้กลอยจะแสดงอภินิหารบนน้ำนั้นเนี่ยมันถือศีลกินเจหยุด7วัน7คืนเลยล่ะค่ะซึ่งไอ้กลอยเองเนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยละจากทางโลกได้แล้วนะคะเจ็ดวันทำให้ศีลของมันแก่กล้าและสมาธิจะบริสุทธ์นักหากไม่ถือศีลจะทาการนี้ไม่ได้ แล้วมันก็เดินไปที่สุดปลายท่าน้ําจากนั้นก็เอาเครื่องไหว้เครื่องบัดเพลีพิธีกรรมที่ทําพิธีเมื่อสักครู่นี้ลอยลงแล้วก็โปรยลงในน้ําจนหมดจากนั้นมันก็สวดแล้วก็ท่องมนต์เกี่ยวกับพิธีนี้อยู่เพียงชั่วอึดใจครั้นเสร็จแล้วมันก็เป่าพรวดลงไปในแม่น้ําคนที่อยู่ข้างหน้าบอกว่าเห็นวงน้ํากระเพื่อมแรงจากแรงเป่าของมันเนี่ยนะคะแต่ว่าผู้เขียนเรื่องนี้ก็คือขุนคอนเนี่ยมองไม่เห็นเพราะว่าอยู่หลังจากตรงนั้น แล้วหลังจากที่มันเป่าลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็นั่งลงค่ะแล้วก็หย่อนตัวก้าวลงไปในน้ํำช้าๆพลางเอาเท้าแต่แตะดูที่พื้นน้ํานั้นไว้อยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ยกเท้าขึ้นมาจากนั้นก็ทําอย่างเดียวกันอีกข้างหนึ่งค่ะแล้วมันก็พนมมือท่องมนเงึมงําก่อนจะเป่าพรวดลงไปในขันน้ํามนพิธีแล้วก็เอาน้ํามนที่เป่าเนี่ยดื่มขึ้นจนแทบจะหมดขันนะคะจากนั้นมันก็จัดแจงถอดผ้าห่ม คลุมกายสีขาวนั่นออกเปลือยท่อนบนเหลือเพียงผ้านุ่งผืนเดียวนะคะแล้วก็นั่งยองๆค่ะก่อนจะค่อยๆหย่อนเท้าแล้วก็ก้าวลงไปในแม่น้ำนั้นเวลานั้นมีคนมาดูเยอะมากเลยแล้วก็สนใจมามุงดูเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะมารอชมอภินิหารของไอ้กลอยหน้าแปลกนะคะที่พอไอ้กลอยเอาเท้าแตะลงพื้นน้ำคนดูต่างพากันเงียบกริบนะคะแล้วมันก็ลงไปยืนอยู่บนน้าได้จริงๆค่ะ หน้าแปลกประหลาดมากเวลานี้มันลงไปยืนนิ่งๆอยู่เพียงชั่วอึดใจหนึ่งคนแถวหน้าบอกว่าตลอดเวลาที่มันยืนบนน้ํานั้นมันหลับตาแล้วก็ท่องบ่นมนอะไรสักอย่างนึ่งอยู่ตลอดเวลาพอท่องมนเสร็จก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ลองก้าวเดินบนน้ําให้คนดูมันเดินไปบนน้ําได้เหมือนจริงโจ้เลยเนี่ยคะจิงโจ้คงจะหมายถึงตัวมแมลงประเภทหนึ่งหาที่คนที่ชอบเรียกว่าจริงโจ้น้ํามันยืนอยู่บนน้ําหน้าแปลกที่มันไม่จมน้ําลงไปเลย มันก้าวเดินออกไปช้าๆ7จก้าวครั้นเดินครบ7จก้าวแล้วมันก็เดินกลับมาอีก7จก้าวคนที่นั้นเห็นไอ้กลอยเดินอยู่บนน้ําค่ะคนก็ดูอยู่ 2- อสามรอบแล้วอยู่ๆมันก็ตัวสั่นง ắc, ักๆมันพนมมือแล้วก็เป่าพรวดลงไปที่พื้นอีกครั้งครั้นว่ามนเสร็จตัวมันก็ไม่สั่นมันก็เดินมาที่ท่าน้ําหยุดยืนนิ่งๆให้คนเห็นชัดๆว่ามันเดินบนน้ําได้ค่ะแล้วมันก็ยกขาขึ้นบันไดแล้วก็ค่อยๆก้าวเดินขึ้นมา ครั้นพอเดินมาถึงตลิ่งท่าน้ํามันก็สวดมนต์ต่ออีกอึดใจหนึ่งก็เป่าพรวดลงอีกครั้งคราวนี้ตัวมันสั่นเหมือนเจ้าเข้าตลอดเวลาเลยนะฮะที่ท่องมนต์มันก็ยังคงหลับตาอยู่แล้วอยู่ๆมันก็ลืมตาเหงื่อโทมกายเลยทีเดียวแล้วมันก็นั่งลงคุกเข่ากราบลงบนพื้น3ามครั้งเป็นอันสิ้นพิธีคราวนั้นทุกคนเห็นกับตาค่ะว่ามันเดินบนน้ําได้จริงไอจ้จะว่ามันมีกลอุบายอย่างอื่นแอบแฝงอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีใครเห็นหรือปรากฏว่า จว่ามันทำตลกขนองรวงคนหรือมีกลอุบายอื่นแอบแฝงก็หาไม่ซึ่งผู้เขียนที่ชื่อขุนคอนเนี่ยนะคะก็อยู่ในเหตุการณ์ในคราวนั้นด้วยตาของตัวเองในสมัยยังเด็กอยู่นะคะเวลานั้นทั้งตกใจแล้วก็แปลกใจค่ะ ทั้งนับถือไอ้กลอยไปพร้อมๆกันจากนั้นชื่อเสียงไอ้กลอยก็โด่งดังไม่มีใครกล้าดูถูกมันอีกจะไปไหนมาไหนก็มีคนคอยเคารพกราบไหว้ว่าเป็นผู้วิเศษเป็นอะไรอยู่พักใหญ่แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอ้กลอยก็ไม่แสดงอภินิหารเดินบนน้ำเป็นครั้งที่สองหรือทำอะไรเยี่ยงนี้ให้ใครดูอีกเลยไอ้กลอยมันบอกว่าวิชาพวกนี้หลวงพ่อที่สอนวิชาให้มันนี่ห้ามนาไปแสดงให้คนดู มันบอกแต่ว่าใครที่ดูพิธีของมันแล้วให้ช่วยนำเงินค่าดูค่าชมเนี่ยไปทำบุญถวายที่วัดจันทร์อีกด้วยว่ากันว่างานคราวนั้นผู้คนก็เลยต้องแหกันไปทาบุญที่วัดจันทร์เป็นการใหญ่ค่ะและเป็นอีกครั้งที่ทางวัดหาเงินเข้าวัดได้ไม่ยากและมากพอที่จะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดได้เลยทีเดียวส่วนเรื่องราวของไอ้กลอยที่เดินบนน้านั้นภายหลังจะมีชีวิตเกเช่นไรไม่มีบันทึกต่อ เรื่องเล่าถึงไอ้กลอยที่เก่งกล้าสามารถเดินเหินบนน้ําได้หมดลงที่ตรงนี้ค่ะนอกจากทั้งสองเรื่องดังที่ขุนคอนได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วยังมีเรื่องสนุกสนุกที่นอกเหนือไปจากเรื่องราวในหนังสืองานศพอีกเรื่องนะคะที่ว่าก็คือเรื่องของคุณยายโสพีค่ะท่านเป็นผู้ใหญ่สูงอายุประมาณ80ปีเศษแต่ว่าท่านยังไม่หลงไม่ลืมนะซึ่ง ผู้ที่เขียนเรื่องนี้นะคะก็ได้เคยไปทําทุระแล้วก็ไปพบ ก, กันกับแกที่ท่าเขียวไข่กาคุณยายเล่าค่ะว่าท่านอาศัยอยู่ละแวกนี้มานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเลยทีเดียวที่ทางแถวนี้นะคุณเมื่อก่อนเนี่ยถัดจากท่าเรือริมน้ําเข้ามาเป็นทางเดินยาวถนนยังเป็นถนนโรยกรวดริมตะลิ่งเนี่ยเป็นแพรบ้างเป็นบ้านที่ปลูกสร้างบนเรือที่ทอดเรียงรายไปบ้างเป็นของพวกเรือทรายแล้วก็พวกเรือฟืนทั้งนั้นแหละ ท่านบอกว่าถ้าเขียวไข่กามันขึ้นชื่อเรื่องผีพรายลักคนเพราะเกิดบ่อยจนใครก็ขยาด ค่ำมืดตึกดื่นไม่มีใครเข้ามาเดินเล่นกันแถวนี้สัก6กโมงกว่าๆหรือว่าเพลว์เพลว์ไปแล้วก็ไม่มีใครอยากจะมาหรอกคุณคุณยายท่านว่าอย่างนั้นนะคะส่วนเรื่องนักเกงโตที่บางกระดือก็ได้ฟังมาจากคุณยายโสพีในครั้งนั้นเหมือนกันท่านบอกว่านักเกลงในสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่ชุกชุมที่ไหนมีนักเกลงทุกย่านร้านถิ่นเลยนะคะล้วนมีนักเกลงกันทั้งนั้น ที่บางกระบือนี่ก็มีบางกระบือสมัยนั้นมีนักเลงเก่งๆอยู่คนหนึ่งชื่อไอ้ขวดมันมีสมยานามว่าไอ้ขวดตะกรุดหักเรื่องของมันก็คือเคยมีพวกนักเลงต่างถิ่นมาหาเรื่องนักเลงในย่านบางกระบือตลอดจนท่าเขียวไขากานี้พวกที่มาหาเรื่องต่างก็พยายามขยายอนณาเขตของตัวเองค่ะหมายจะยึดบางกระบือเป็นอนาเขตของตัวเองด้วยแต่ว่าเหล่านักเลงที่บางกระบือเนี่ยมันไม่ยอมก็เลยเกิดประทะกัน วันที่พวกนักเลงยกนักเลงอีกพวกหนึ่งมาเนี่ยผู้คนต่างก็ปิดบ้านปิดเรือนกันหมดพอตกเย็นก็เกิดประทะตีกันตั้งแต่วัดใหม่ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นวัดใหม่ทองเสษหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังไล่กันมาจนถึงท่าเขียวครา น, นึงพวกนักเลงต่างถิ่นเนี่ยไล่ตีต้อนกันมาพวกไอ้ขวดไม่เรื่อยๆจนมาจนมุมที่หน้าวัดจันทร์ก็คือวัดจันทร์สมสร์ค่ะไอ้ขวดก็ถูกนักเลงต่างถิ่นเนี่ยรุมทำร้ายกันถึง3คน ครานึงไอ้พวกนักเลงเอามีดปาดตาลออกมาหมายจะฟันไอ้ขวดพอดีอ้ขวดมันหลบทนันมีดปาดตาลเฉียวตัวไอ้ขวดอย่างหวุดหวิดค่ะอีกครั้งหนึ่งก็หลบได้แต่ว่าเป็นที่ร่ําลือกันก็คือนักเลงคนนึงเอาปืนแก๊ปออกมายิงกระสุนถูกไอ้ขวดจังๆทุกคนเห็นไอ้ขวดกระเด็นไปตามแรงถีบของปืนแกป๊ป น, นะฮะก็คิดว่าโอ้ตายแน่ไอ้ขวดแต่ไม่ค่ะคุณผู้ฟัง ไอ้ขวดลงไปนอนไม่นานค่ะลุกขึ้นมาสู้ใหม่คราวนี้พวกนักเลงต่างถิ่นเริ่มเสียขวัญแล้วเพราะว่าเห็นไอ้ขวดถูกยิงแต่ว่ามันไม่เป็นไรต่างก็เริ่มกลัวกันทุกคนเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไงพอเสียขวัญปุ๊บพวกต่างถิ่นก็ถูกไอ้ขวดเนี่ยไล่ตีถอยร่นแล้วก็ได้รับชัยชนะในที่สุดนักเลงทั่วๆไปต่างก็สนใจเนีฮะว่าไอ้ขวดเนี่ยมันรอดตายจากการถูกปืนแก๊ปมาได้อย่างไรก็เลยเข้าไปถาม ไอ้ขวดก็ไม่ตอบแต่ว่าชูตะกรุดให้ดูตะกรุดที่ไอ้ขวดห้อยคออยู่นั้นเนี่ยมันหักเหลือกครึ่งดอกค่ะอีกครึ่งดอกเนี่ยถูกกระสุนปืนแก๊ปตั้งแต่ตอนนั้นชื่อเสียงไอ้ขวดก็เลยโด่งดังก็เลยได้ชื่อว่าไอ้ขวดตะกรุดหักมานะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเรื่องราวในบั้นปลายชีวิตของไอ้ขวดตะกรุดหักจะเป็นอย่างไรคุณยายโสพีบอกว่าไม่ทราบเพราะว่าไอ้ขวดหายตัวไปราวปี2499หรือในคราวที่ทางการกวาดจับพวกอันธภาลเข้าคุก ท่านเชื่อเหลือเกินว่าเวลานั้นไอ้ขวดก็คงจะมีอายุมากแล้วอาจจะถูกทางการหมายหัวหรือหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถิ่นอื่นก็ไม่มีใครทราบได้นะคะเพราะว่าจากนั้นก็ไม่มีใครพบตัวไอ้ขวดแล้วก็พักพวกอีกเลยท้ายที่สุดเรื่องราวของทิแชแฉมไอ้กลอยไอ้ขวดและก็เรื่องประดามีเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่6 แล้วก็ขุนคอนได้นําเรื่องเหล่านี้มาถ่ายทอดไว้ในหนังสืองานศพนะคะปี2489ก็เชื่อค่ะว่ายังมีเรื่องเก่าอีกมากมายที่ถูกหลงลืมแล้วก็สูญหายไปตามกาลเวลาส่วนบีจะไปนค้นเอาเรื่องเก่ามาฝากคุณผู้ฟังเรื่องอะไรในวันต่อไปนะคะก็ต้องติดตามรับฟังกันละค่ะส่วนวันนี้เรื่องราวที่ค้นหามาเพราะว่าเห็นเป็นเรื่องแปลกแล้วก็น่าสนใจก็เลยนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่เรื่องราวที่ว่าเหล่านี้จะถูกหลงถูกลืมแล้วก็สูญหายกันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะหากเล่าให้ฟังไม่ได้อัธรศเท่าไหร่คุณผู้ฟังก็อย่าลืมไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกาันตำนานเรื่องเก่าเล่าเรื่องในพระนคร น, นะคะโดยนักเขียนที่ใช้นามว่าจุติค่ะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้บีด้วยแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยนะคะที่ w w w facebook com h พระเจอผีติดตามข่าวสารต่างๆพร้อมกับความเคลื่อนไหวนะคะได้ที่แฟนเพจนี้ วันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะเดี๋ยววันต่อไปเราค่อยมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวเก่าๆตำนานเล่าอาตำนานเก่าเล่าเรื่องในพระนคร น, นะคะเดี๋ยวจะมาย้อนเรื่องเก่าเล่าเรื่องวัดโบสถ์ให้คุณผู้ฟังฟังกันแต่ว่าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ